สองนิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่จำกัดชาติชั้นหญิงชายบุคคลทุกคนเมื่อมีชันทะเพียรพยายามมีความพร้อมแล้วก็สามารถบรรลุนิพพานได้ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นคนชาติชั้นวันนะใดมีฐานะอย่างไรยากจนมั่งมีเป็นหญิงหรือชายเป็นขรือหัดหรือบรรพชิตมีพุทธภาษิตแห่งหนึ่งว่า ทางนั้นชื่อว่าทางสายตรงทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีไัยรถชื่อว่ารถไร้เสียงประกอบด้วยล้อคือธรรมะมีหิริเป็นฝามีสติเป็นเกราะกั้นธรรมะรถนั้นหรือรถคือธรรมะนั้นเราบอกให้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นสารถีบุคคลใดมียานเช่นนี้ จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเขายอมใช้ยานนั้นขับไปถึงในสำนักแห่งนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยินยอมให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีทั้งที่สภาวะทางสังคมไม่อำหนวยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหญิงบวชในธรรมวินัยแล้วก็สามารถประจักษ์แจ้งโลกุธรธรรมตั้งแต่โสดาปติพ ถึงอารหาัตผลได้เช่นเดียวกับชายครั้งหนึ่งพระโสมาภิกษุณีเข้าไปนั่งพักอยู่นโคนไม้ต้นหนึ่งในป่ามารประสงค์จะแกล้งหลอกจึงเข้ามากล่าวคาถาว่าสถานะที่ย่างนักหนาจะฟาไปได้อันท่านผู้สแสวงทั้งหลายจะพึงเข้าถึงสตรีมีปัญญาแค่สองนิ้วไม่ได้พบพานหรอกพระเทรีนั้นตอบว่า ความเป็นหญิงจะเกี่ยวอะไรในเมื่อใจตั้งมั่นดีมียานเป็นไปอยู่แก่ผู้เห็นแจ้งธรรมะถูกต้องผู้ใดยังมีความยึดถืออยู่ว่าเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายหรือยังมีความรู้สึกค้างจะอยู่ว่าเรามีเราเป็นมารจึงควรจะพูดกับเขาผู้นั้นในแง่ของความเป็นชาวบ้านและชาววัด หรือขารือหัดกับบันพชิตก็มีพุทธพจน์ว่าเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของข้ารือหัดหรือบันพชิตข้ารือหัดก็ดีบันพชิตก็ดีปฏิบัติผิดแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้อย่างกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นคือยายะให้สำเร็จได้เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบ คือสัมมาปฏิบัติไม่ว่าของขอรือหัดหรือบรันรพชิตครือหัดก็ดีบรันรพชิตก็ดีปฏิบัติถูกแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้และมีพุทธพจน์ตรัสถึงความหลุดพ้นของขอรืหัดกับบรันรพชิตว่าเราไม่กล่าว ว่ามีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตลอดร้อยปีคือวิมุตติกับวิมุตติเหมือนกันข้อความว่าคือวิมุตติกับวิมุตติเหมือนกันพระไตรปิฎกแปลฉบับภาษาไทยว่าคือหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะบาลีฉบับอักษรไทยเป็นยะทิทางวิมุตติยาวิมุตตันติส่วนฉบับอักษรพม่าและฉบับอักษรโรมันเป็นยะทิทางวิมุตติยาวิมุตตินติแต่ข้อความนี้มีในอังคุตระนิกายปัญจการนิบาศด้วยและที่นั้นพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลไปอีกอย่างหนึ่งพึงดูไข ค, ความของอัตถกถาที่ว่า วิมุตตินี้หมายถึงอรหัตผลวิมุตติอย่างไรก็ตามคำภีรุ่นมิลินทปัญหาเป็นต้นมากล่าวว่าคฤหัสถบรรลุอรหัตผลต้องอุปสมบทในวันนั้นมิฉะนั้นต้องปริณนิพพานปัญหาว่าเมื่อเป็นคฤหัสถบรรลุนิพพานได้แล้วจะบวชทาไม ดูที่มีลินทปัญหาหน้า316เรื่องชาติชั้นวันนะนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชมพูทวีปจึงมีพุทธพจน์รัดย้ำเรื่องนี้บ่อยๆดังตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพรามชื่อเอสุ ก, การีคัดมาบางตอนดังนี้ พรามกล่าวว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญพรามทั้งหลายบัญญัติรับไว้สี่อย่างคือบัญญัติการพิกขาจารให้เป็นรั์ประจาตัวของพรามบัญญัติธนูกับแล้งให้เป็นรั์ประจาตัวของกษัตริย์บัญญัติกรสิกรรมและการเลี้ยงโคให้เป็นรั์ประจาตัวของแพทย์บัญญัติเขียวและไม้คานให้เป็นซั์ประจาตัวของสูตร พรามทั้งหลายบัญญัติรัพ์ไว้สี่อย่างดังนี้ท่านพระโคโดมผู้เจริญจะตรัสว่าไกรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเนี่ยพรามชาวโลกทั้งหมดพร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พรามทั้งหลายว่าขอพรามทั้งหลายจงบัญญัติรั์สี่ประการเหล่านั้นเถิดดังนี้หรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้น น่พรามเปรียบเหมือนบุรุษยากไรไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นผู้ขัดสนคนพวกหนึ่งเอาก้อนเนื้อขึ้นแขวนให้แก่เขาผู้ไม่มีความปรารถนาเลยโดยบอกว่านี่นะพ่อมหาจำเริญเธอกินเนื้อนีเสียและจ่ายเงินค่าเนื้อมาดังนี้ฉันใดพวกพรามก็ฉันนั้นย่อมบัญญัติทรัพสี่อย่างเหล่านี้แกสมณพรามทั้งหลายเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมนี่แน่พรามเรายอมบัญญัติอริยะโลกุตระธรรมว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของคนทุกคนแน่พรามท่านจะเห็นเป็นประการใดสมมุติว่าขาัติยาราชผู้ดได้รับมูรธาพิเศษแล้วรับสั่งให้บุรุษชาติต่างๆกันหนึ่งรคนมาประชุมกันว่า มาเถิดท่านทั้งหลายในบรรดาท่านทั้งหลายนั้นผู้ใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์จากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลเจ้าผู้นั้นจงเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟจงก่อไฟให้ความร้อนปรากฏมาเถิดท่านทั้งหลายในบรรดาท่านทั้งหลายนั้นผู้ใดเกิดจากตระกูลจันทารจากตระกูลพราหมณ์ จากตระกูลช่างสารจากตระกูลช่างรถจากตระกูลคนเทขยะผู้นั้นจงเอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟจงก่อไฟให้ความร้อนปรากฏนี่นายพรามท่านเห็นเป็นประการใดไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์จากตระกูลพรามจากตระกูลเจ้า เอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไฟเท่านั้นหรือจึงจะมีเปลวมีสีมีแสงและสามารถใช้ทากิจที่พึงทำด้วยไฟได้ส่วนไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลจันทานจากตระกูลพรานจากตระกูลช่งางศาลจากตระกูลช่างรถจากตระกูลคนเทขยะ เอาไม้างสุนั g ไม้รางสุก ร, งสกรไม้รางย้อมผ้าไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงไม่สามารถใช้ทากิจที่พึงทาด้วยไฟได้อย่างนั้นหรือตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญไฟทั้งหมดนั่นแหละมีเปลวมีสีมีแสงและไฟทั้งหมดใช้ทากิจที่พึงทาด้วยไฟได้ ฉันนั้นเหมือนกันแลท่านพราหมณ์บุคคลแม้หากออกบวชเป็นอนาคาริกจากตระกูลกษัตริย์และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ยอมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดให้สำเร็จได้แม้หากออกบวชเป็นอนาคาริจากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลแพทย์จากตระกูลสูตรและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้